ระดับปัญญากลุ่มที่สองตีระณะปริญญาคือรู้สามั ญ, ญลักษณะหรืออย่างถึงไตรลักษณ์ขันมัคคะวะวัฐานคือกำหนดมัคคะสัตว์ซึ่งในที่นี้คือเฉพาะข้อที่ว่าด้วยมัคคามัคยานัศสนะวิสุทธิมัคคามัคยานัศสนะวิสุทธิ ความหมวดจดแห่งยานที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทางคือยกเอารูปธรรมและนามธรรม ท, ทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาเป็นหมวดหมวดตามแนวไตรลักษณ์ทีละอย่างทีละอย่างเช่นพิจารณารูปโดยอนิจจาลักษณะโดยทุกขาลาักษณะโดยอนัตตลักษณะแล้วพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามลำดับและโดยลักษณะแต่ละลักษณะไปทีละอย่าง และพิจารณาข้อธรรมอื่นเช่นในหมวดอายตนาส2องปฏิจสมุบาท12สองและอะไรก็ได้ทุกๆอย่างแม้แต่ภพสามฌานสอัปมัญญาสี่สมาบัตส4เป็นต้นไปตามลำดับไตรลักษ์แต่ละอย่างในทํานองเดียวกันนั้นรวมความก็อยู่ในขันห้านั่นเองจนเริ่มมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลาย เรียกว่าเกิดเป็นตรุณวิปัสนาคือวิปัสนาญาณอ่อ น, อนในช่วงนี้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิปัสนูปกิเลสิประการขึ้นมาชวนให้หลงผิดว่าบรรลุมากผลแล้วหรือหลงยึดเอาวิปัสนูปกิเลสนั้นว่าเป็นทางที่ถูกถ้าหลงไปตามนั้นก็เป็นอันพลาดจากทางเป็นอันปฏิบัติผิดไป แต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะแก้ไขได้ก็จะกำหนดแยกได้ว่าวิปัสณูปกิเลสิบนั้นไม่ใช่ทางแล้วกำหนดวิปัสนาญาณที่ดำเนินถูกทางพ้นจากอุปกิเลสแล้วว่านั่นแหละเป็นทางหรือมรคาแท้จริงซึ่งจะพึงเดินต่อไปเมื่อความรู้นี้เกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นมกคามรคยานทัศนวิสุทธิ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 จะเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามภายในหรือภายนอกก็ตามล้วนไม่เทียงดังนี้เป็นต้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลาปะสัมมาสนะคือการพิจารณาเป็นหมวดหมวดหรือรวบเป็นกลุ่มๆอย่างที่อธิบายแล้วข้างบนและความรู้ที่เกิดขึ้นในขั้นนี้บางทีจัดกันเป็นยานขั้นหนึ่ง เรียกว่าสัมมาสนญาณแปลว่ายานที่พิจารณาหรือตรวจตราคือพิจารณาตรวจรานามรูปตามแนวไตรลักษณ์ในเรื่องของศัพท์ดีกาว่ากลาปะสัมมาสนะเป็นชื่อที่ชาวชมพูทวีบใช้ส่วนนยวิปัสสนา เป็นชื่อที่ชาวเคาะลังกานิยมใช้แต่หมายถึงวิธีการเดียวกันกลาปาสมาสนะหรือนยวิปัสนานี้เป็นวิธีตรงข้ามกับอนุปัฏฐธรรมวิปัสนาคือการพิจารณาองค์ธรรมเรียงลำดับเป็นรายข้อซึ่งจะอธิบายอีกทีในบันทึกท้ายบทนี้ เมื่อพิจารณาด้วยสัมมาสนาญาณไปจนญาณแก่กล้าขึ้นเริ่มมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปของสิ่งทั้งหลายมองเห็นความแปรเปลวนของปัจจุบันธรรมว่าธรรมะเหล่านี้ไม่มีแล้วก็มีขึ้นมีขึ้นแล้วก็ดับล่วงไปมองเห็นการเกิดและดับสลายทั้งโดยปัจจัยและเป็นขณนะขาะไปก็เริ่มเกิดญาณใหม่เรียกว่าอุทยพยานุปสนา แต่ยังเป็นยานใหม่ๆอยู่และยานนี้ตอนนี้เองที่เรียกว่าเดรุณวิปัสนาหรือตรุณาวิปัสนาที่หมายถึงวิปัสนาญาณอ่อนผู้ได้เดรุณวิปัสนานี้เรียกว่าอารัฐวิปัสสกะคือผู้เริ่มเห็นแจ้งหรือผู้ได้เริ่มวิปัสนาแล้วและในตอนนี้เอง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 ทำให้เข้าใจผิดว่าตนบรรลุมากผลแล้วเป็นเหตุขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้าต่อไปในวิปัสสนาญาณ